าการปฏิบัติที่เราทำที่นี่ถึงที่สุดแล้วก็คือเพื่อให้เราได้เห็นความจริงนะเห็นความจริงนี่ก็เห็นได้หลายระดับนะระดับพื้นพื้นก็คือเห็นกาย<ๆ>เห็นใจอย่างที่มันเป็น หรือว่าเห็นกายเห็นใจเวลาเขามีอาการต่างๆเช่นเห็นกายเคลื่นอนไหวเห็นใจคิดนึกต่อไปก็จะเห็นได้ละเอียดขึ้นเรอนี้เห็นแล้วเนี่ยก็คือเห็นโดยที่ไม่ไปผักใสต่อต้าน หรือว่าขวายคว้ายึดครองส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เห็นเฉยๆแต่ว่าจะกเข้าไปยึดครองถ้ามันเป็นอารมณ์ฝ่ายบวกความรู้สึกสบายความสงบความเพลิดเพลินแต่ถ้ามันเป็นตรงข้าม ความฟุ้งซ่านความเครียดความปวดก็จะพยายามผลักสายมันออกไปอาการที่ผลักสายไขว้คว้าเนี่ยมันทำให้ไม่เห็นอย่างที่เป็นเพราะมันเจือไปด้วยความรู้สึกว่าชอบและชังไอ้ความชอบและชังก็ทำให้เกิดอคติฉันทาคติโทสาคติ พยาคติมันก็ตรงข้ามกับสติทำให้ไม่เห็นความจริงจริงๆแล้วการปฏิบัติมันก็มีหลัก ง, ง, ง่ายๆอยู่อย่างเดียวคือว่าย อ, ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจพอทำไมยอมรับแล้วเนี่ยมันก็จะไปผักไสขวายควา้าหรือพยายามยึดครองก็เลยไม่สามารถที่จะ เห็นความจริงอย่างที่มันเป็นได้หลวงพ่อคำเขียนก็พูดย้ำอยู่เสมอว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างก็คือยอมรับมันโดยเฉพาะเวลาออไอนะ้ที่ไม่ดีนะที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะก็ยอมรับมันอย่ายไปปฏิเสธมัน ถ้าถ้าใจมันมีความรู้สึกอยากปฏิเสธก็ต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าอ้าแขนอ้าแขนรับมันเลยเพื่อไม่ให้ใหเพื่อถ่วงตุนกับความรู้สึกอยากจะผลักไสออกไปการปฏิบัติที่มันเป็น ที่พาไปสู่วิปัสสนาเนี่ยคือการยอมรับทุกอย่างที่เป็นยุคทุกอย่างที่เกิดขึ้นถือว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นไม่ใช่แค่ว่าสงบและดีนะโกรธก็ดีถ้าเรารู้มันหงุดหงิดก็ดีถ้าเรารู้เมื่อมันเกิดขึ้น การเจริญสติที่เป็นบาททานข อ, ของวิปัสสนาเนี่ยจะไม่เลือกที่รักมากที่ชังอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นขอให้รู้ไม่เหมือนกับสมถะที่ว่าจะมีการเลือกที่รักมากที่ชังถ้าฟุ้งซ้านไม่เอานะถ้าหากว่ามีความมีนิวรณนก็ไม่เอาก็พยายามจะเข้าไปกาจัดหรือว่าบรรเทา ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นคนละวิธีการเจริญสมถะกรรมฐานก็มีการเลือกว่าอย่างนี้ดีก็จะสร้างให้มีขึ้นมากๆอย่างนี้ไม่ดีก็พยายามขจัดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าสงบอา้าวดีถ้าฟุ้งไม่ดีแต่ว่าการเจริญสติแบบที่เป็นบาดฐานของวิปัสสนาเนี่ย อะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นถ้ารู้ถ้ารู้ว่ามันมีถ้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็เป็นของจริงทั้งนั้นนะนี่พูดแบบเป็นถ้าเป็นปรมัชญธรรมนะมันก็เป็นมีความหมายมีความสําคัญเสมอกัน ไม่มีดีไม่มีชั่วมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเช่นความโกรธความโลภหรือความเมตตาความกรุณาถ้าพูดถึงสภาวะธรรมในเชิงปรมาภแล้วมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นหรือว่าเป็นกลางๆนะไม่มีดีไม่มีชั่ว และที่มันเหมือนกันอย่างนึงคือมันเป็นความจริงที่สามารถสอนไตรลักษณ์ให้กับเราได้ความกลัวก็สอนไตรลักษณ์ให้กับเราเมตตากรุณาก็สอนไตรลักษณ์ให้กับเราสอนความจริงอย่างเดียวกันและเป็นความจริงที่สามารถจะทำให้เราเกิดปัญญาจนพ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีการผลักไสความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ผลักไสมันก็เพียงแต่รู้มันเฉยๆหรือว่าผู้ยังคือยอมรับมันยอมรับมนนันถ้าเป็นสมถานี้ก็จะเพยายามหาทางกำจัดหรือว่าบรรเทามันเช่นเวลาโกรธ ก, ก็อาจจะพยายามเจริญเมตตาภาวนาเพื่อให้ความโกรธมันหายไป หรือว่าโกรธก็พยายามไปตามลมหายใจให้จิตไปอยู่กับลมหายใจจิตจะได้สงบความโกรธก็จะได้จางคลายไปนะคือทําหลายๆวิธีเพื่อให้ความโกรธมันหายไปเพราะความโกรธไม่ดีเป็นข้าสึกต่อความสงบความโลภ ก, ก็เช่นเดียวกันก็ถ้าโลภหรือว่าเกิดราค้าขึ้นมาก็พิจารณาอสุภะพิจารณาจนกระทั่ง เกิดความเบื่อความนายเห็นความไม่งามก็ปล่อยวางจิตก็จะกลับสู่ความสงบเพราะสมถะกรรมฐานจุดหมายคือความสงบแต่ปัจจุกรรมฐานจุดหมายคือความสว่างคือเห็นความจริงเห็นความจริงก็คือจะเกิดขึ้นได้วก็คือยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจนั้นรวมทั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายคือความจริง ถึงบอกว่าโกรธก็ดีนะถ้ารู้ถ้หงุดหงิดก็ดีถ้ารู้แต่สงบไม่ดีนะถ้าไม่รู้อ่นะอันนี้พูดในมุมของวิปัสสนากรรมฐานความสงบเกิดขึ้นถ้าไม่รู้นะก็ไม่ดีนะสมถกรรมฐานจะบอกว่าความสงบเกิดขึ้นดีๆนะเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนนะ แต่ถ้าเราต้องการที่จะให้จิตเนี่ยสว่างแล้วก็เกิดปัญญารู้เข้าใจไตรลักษณ์นะก็ะทำให้เราสามารถที่ปล่อยวางอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นและก็หนที่สุดจะนำไปสู่ความสงบเป็นความสงบเพราะรู้ พอยอมรับความจริงพอเห็นว่าเป็นธรรมดาในขณะที่ความสงบจากสมถธกามฐานเนี่ยมันเป็นความสงบเพื่อพอกการกดข่มก็ดีหรือด้วยการไปจัดการกับอารมณ์ต่างๆแต่มันไม่ได้เกิดจากปัญญาที่เห็นว่านี่มันเป็นธรรมดาเห็นว่ามันไม่น่ายึดถือน ยอมรับมันแต่ไม่ยึดไม่เอาอย่างที่เต้พูดถึงหลวงปูด่ดุลที่คนถามว่ามีหลวงปู่มีโกรธไหมท่านก็ตอบว่ามีแต่ท่านไม่เอาคือท่านก็ไม่ได้ทาไม่ได้ใช้วิธีการไปกดข่มความโกรธหรือทำอะไรกับมันทั้งสิน้นเพียงแค่ไม่เอาเฉยๆไม่ได้คิดจะทำให้มันหายไป น, นี่อธิบายในแง่นี้นถ้าเป็นสมถะก็จะไปพยายามกดข่มมัน หรือว่าหาทางที่จะใช้ธรรมะที่เป็นคู่ตรงข้ามเช่นความเมตตากรุณานะเข้าไประ ง, งับเหมือนกับไฟก็ต้องอาศัยน้ำน้ำเย็นเข้าไปดับแต่ปัสนานี้ก็ดูมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันทีแค่ไม่ทำอะไรกับมันมันก็จะดับไปเองเพราะมันเป็นอนิจจังนะอันนี้ให้เราเห็นความแตกต่าง และสำคัญมากนะการที่เรายอมรับทุกอย่างตามที่เป็นจริงได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจการยอมรับมันได้เนี่ยมันทําให้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่ อ, อการภาวนาเท่านั้นแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่ อ, อการดําเนินชีวิตด้วยเพราะความทุกของคนเราเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงยกเตอยงง่ายๆเดินทางในกรุงเทพพอเจอรถติดเท่านี้แหละก็ทุกแล้ว พราะมันไม่ยอมรับความจริงว่าเนี่ยรถติดแล้วก็ยังอยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราหวังก็คืออยากให้หายรถติดไฟแดงนานไปหน่อยก็หงุดหงิดแล้วพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเราก็อยากจะให้มันเขียวหรือไวๆเนี่ยเพียงแค่ความจริงง่ายๆเนี่ยเราก็ยอมรับกันไม่ได้รถติดหรือว่า บางทีคอยเพื่อนานานไปเราก็หงุดหงิดแล้วนะเพราะมันเลยเวลานัดหมายแต่ถ้าเราอยอมรับความจริงได้อะไรเกิดขึ้นเราก็ยอมรับมันนะไม่มีการบน่นไม่มีการตีโพยตีพายก็เห็นว่ามันเป็นมันเป็นเช่นนั้นเองนะมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเรียกว่าตาทตา จริงอยู่ในชีวิตจริงเราก็ต้องมีการจัดการแก้ไขเพื่อให้อะไรต่ออะไรมันเรียบร้อยแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่จัดเราไม่สามารถจะจัดการอะไรได้เราก็ต้องยอมรับมันเช่นไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปควบคุมให้ไฟเขียวให้ไฟแดงมันเขียวไว ไ, วได้หรือเราไม่มีความสามารถที่จะสั่งให้ลดมันหายติด มันขับขึ้นไปไปเราสั่งไม่ได้ในสภาพเช่นนี้เราก็ทําได้อย่างเดียวคือทําใจทําใจก็ไม่ต้องทําใจอะไรมากก็เพียงแค่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเงินหายถ้าเราสามารถที่จะไปตามหามาได้ก็ดีแต่ถ้าตามหาไม่ได้ก็ยอมรับความจริงเราก็ไม่ทุกข์หรือเวลาเจ็บเวลาป่วยมันเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนี่คือความจริงจะไปบ่นเสียดงเสียดายตีโพยตีพายหรือไปคิดว่าฉันไม่น่าเลยนะถ้าฉันออกกำลังกายมากกว่า น, นี้ฉันก็จะไม่เป็นอะไรหรือว่าถ้าฉันทำอย่างงู้นฉันทาอย่างนี้ฉันก็คงไม่เป็นโลกนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วนะเมื่อมันเกิดขึ้นก็ยอมรับแต่ยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะอ่า จะรักษายัางไงก็ค่อยว่ากันไปแต่ก่อนที่จะรักษาก็ยอมรับมันซะ ก, ก่อนว่านี่คือความจริงเพราะถ้าไม่ยอมรับมันก็จะเอาแต่ทุกข์เอาแต่เสียใจแล้วก็เลยไม่เป็นอันทาอะไรตีอกชกหัวทาไมต้องเป็นชั้นแต่พอเรายอมรับความจริงได้จิตใจเราปล่อยเราวางเอาละตอนนี้เราก็จะต้องคิดเราก็จะได้มี เราก็มานั่งคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรมันก็มีแต่จะก็มีแต่กายที่ทุกข์ที่ปวดแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วเพราะเรายอมรับความจริงได้เราต้องฝึกนะฝึกให้ใจเนี่ยยอมรับความจริงชนี้เรียกว่าสิโลราบเลยมีคนก็ใช้คาว่าสิโลลาบนะแต่ไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ในความหมายที่ว่าโอ้ยฉันงอมืองอเท้านะทำอะไรไม่ได้แล้ว แต่เป็นการยอมรับความจริงไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับกายและใจหรือเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเรานะเมื่อความเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันคือความจริงจะไปปฏิเสธมันก็มีแต่ทุกขนะ์นั้นเราต้องต้อง ฝึกให้เราเนี่ยสามารถที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะถ้าเราจะลองฝึกดูในชีวิตประจาวันของเรานะกตัวอย่างเช่นอา้าพุ่งนี้ทั้งวันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันก็จะไม่บน่นฉันจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะอาหารจะไม่อร่อยอาหารจะน้อยหรือว่าเพื่อร่วม ง, งานในครัวเขา ทำงานช้าฉันก็จะไม่บนรฉันจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นลองฝึกแบบนี้ดูก็ได้ในฐานะที่มันเป็นการบ่มอบรมจิตใจให้สามารถยอมรับความจริงได้ถึงแม้ว่าในบางเรื่องมันก็ต้องมีการจัดการแก้ไขแต่ว่านั่นเป็นเรื่องการทำกิจนะแต่เรื่องการทำจิตก็ต้องฝึกเหมือนกัน ฝนตกฟ้าร้องอไม่บน่นฉันยอมรับนะลองฝึกอย่างนี้ดูนะมันจะทำให้เราเนี่ยจิตใจเรานิ่งได้แล้วมันก็จะไปเสริมการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติก็คือการที่เราสามารถจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจได้มันเครียดก็ยอมรับมันไม่มีการผักใสมันฟุ้งก็ยอมรับมันแต่ไม่ใช่เพลิดเพลินจเจริญตามมัน มันต่างกันนะยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้มันฟุ้งก็ยอมรับมันไม่โกรธไม่โมโหไม่หงุดนงิดตัวเองที่ว่าทำไมถึงฟุง้งก็เพียงแต่รู้มันเฉยเฉยนะเมื่อเช้าหลวงพ่อได้พูดถึงได้ได้ไปเทศให้กับผู้ป่วยนะผู้ป่วยโรคไตก็พูดถึงคนหนึ่งนะชื่อหน่อย แกก็เป็นโรคไตไตาวายแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็วิกฤตมากแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วผ่าเปลี่ยนไตเรียบร้อยแต่ตอนนั้นก็วิกฤตหลวงพ่อไปเยี่ยมหน่อยก็บอกว่าหลวงพ่อทำยังไงดีทำใจยังไงดีทำใจยังไงดีทำใจไม่ได้เลยหลวงพ่อต้องบอกไม่ต้องทำใจอะไรก็อยู่เฉยเฉยแค่นี้แหละหลวงพ่อท่าน แนะนำไม่ต้องทำใจหรอกแค่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนี่คือก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นนะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะความความบางทีทาใจเนี่ยความหมายสุดท้ายคือว่าไม่ต้องทำอะไรคือยอมรับมันอย่างที่มันเป็นมันก็จะมีแต่ความทุกข์กายแต่ว่าความทุกข์ใจก็จะลดน้อยลงไปมากเพราะจิตที่ไม่ยอมรับนะั่นแหละคือจิตที่ทุกข์นะมันไม่ยอมรับ มันก็ดิ้นสิพอดิ้นมันก็ทุกเลยเหมือนกับเราเครียดแล้วเราไม่ยอมรับความเครียดล้วก็จะพยายามผลักพยายามกดพยายามข่มมันก็ดิ้นไงดิ้นเพื่อจะผลักสออกไปแล้วก็ทุกทันทีจิตดิ้นเมื่อหล่ก็ทุกเมนนื่นั้นไม่ว่าดิ้นเพื่อเพื่อผลักออกไปหรือดิ้นเพื่อจะเอาเข้ามาหรือเพื่อจะยึดเอาไว้นานๆมันก็ทุกทั้งนั้นนะแล้วทำไมถึงดิ้นก็เพราะไม่ยอมรับ เ ว, เ, เวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยเวลาเราคันเนะี่ยลองฝึกใจดูมั่งยอมรับมันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่แค่ฝึกความอดทนนะแต่ว่ายอมรับด้วยสติฝึกอดทนกัดฟันทนนี่มันก็อันหนึ่งแต่ว่ายอมรับมันก็อันหนึ่งนะถ้าเรายอมรับมันเนี่ยความความทุกข์จะลดไปเยอะ เคยพา ญ, ญาติโยมเดินจงกรมตอนนั้นไปที่ชุมพรแปอบรมเรื่องเผชิญความตายสงบเจ็ดคืนแปดวันทุกเช้าก็เดินจงกรมให้ถอดรองเท้าก็หลายคนก็ไม่เคยถอดรองเท้าเพราะว่าทางมันเป็นทางกรวดทางหินนะแค่เดินสองสเมก็บอกว่า ปวดแล้วว่าหินมันแทงปวดมันแทงแมันไม่ใช่แค่นั้นพอเดินเข้าไปในสวนก็ยุงก็มาเกาะมาเกาะหน้าเกาะแขนเกาะก็ค่อยๆฝึกกันไปวันแรกก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกมันปวดแต่ก็บ่อยให้เขาดูความปวดดูเวทนาแต่มันก็ดูไม่ได้ดูยากก็ให้ดูใจดูใจที่มันรู้สึกต่อความปวดนะ เวล า, ย, ายุงมาเกาะยัไม่ทันเกาะเลยใจเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ไม่รู้นะเพราะใจเพราะไปดูที่ตัวยุงไม่ได้ดูใจของตัวพ อ, อยุงเกาะที่ขาที่หน้าก็ไปดูที่ก็ไปจอ่อไปรับรู้แต่บริเวณที่มันเกาะแต่ไม่ได้ดูใจ่อเขาดูใจเสว่าจริงมันทนได้นะที่มันทุกข์เพราะมันทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะมันเจ็บ เพราะไมเพราะมันคันเกินเกินเกินจะทนนะแต่เป็นเพราะความรู้สึกว่ามันไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ใจที่รู้สึกแบบ น, นั้นแหละที่มันทำให้ทุกข์มากกว่าเป็นเพราะความคันซึ่งเป็นเรื่องของทุกขเวทนาแต่ใจที่มันยอมรับไม่ได้เพราะมันไม่คุ้นไม่ชินเพราะว่ามันรังเกียจ ต, ตรงนี้ที่ทำให้ทุกข์มากกว่าคือมันดิ้นไยสังเกตจิตที่มันดิ้นก็ทาไป ก, ก็เริ่มได้กัน แต่สองัสุดท้ายนี่พรากว่าฝนตกก็จะมีมดขึ้นมามดย้ายหลังสารพัดนะตามทางแล้วเวลาเดินไม่ได้เดินเปล่าๆไม่ได้เดินธรรมดาเดินไปก็หยุดไปด้วยเป็นครั้งคราวมีสัญญาณให้หยุดพอหยุดเข้ากันนี่ยุยงมดมันก็ไต่ขึ้นมาตามตามขาเข้าไปในร่มผ้านะ ขบวนเดินจงกลมที่เคยเดินสงบสงบพอมดขึ้นก็ได้ยินเสียงผึบภับพุับเสียงปัดปัดยุงปัดมดบ้างเสียงกระทืบเพื่อให้หมดมันหลุดจกักแข่งจากขาบ้าง ก, ก็เป็นนั้นว่าหาความสงบไม่ค่อยได้หลายคนก็ก็เป็นทุกข์กัน ก็บอกเขาว่าให้ลองดูลองดูใจอีกทีนะจริงๆใจเรามันทนได้แต่กายเรามันทนได้แต่ใจต่างหากที่ไม่ยอมทนแต่ถ้าใจเราทนได้แล้วมันกายมันก็ทนได้ก็ให้ลองเดินวันรุ่งขึ้นฝนตกอิ่มก็มดก็ขึ้นมเมฆนะมีคนหนึ่งเขาก็เล่าวันนี้เขาก็ทําใจไว้แล้วว่าอะไรจะเกิดก็เกิด แล้วพอมดขึ้นขาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันมันสมใจเลยนะพอตั้งใจเวลาจะลองฝึกดูว่าจะรับมือกับมันได้ไหมแล้วก็ดูใจเลยนะพอมดขึ้นตามขานี่ก็ดูใจเห็นใจมันหวั่นไว้เห็นใจมันกลัวมดยังไม่ทันจะกัดเลยนะใจมันก็เพิ่มแนละ้วพอเห็นใจก็เพิ่มพอรั้วใจก็เพิ่มหนึ่งความกับเพิ่มของใจก็หยุด แต่ทีนี้มดพอมันขึ้นก็<ม>บอกมดนี่เป็นเป็นเป็นศีก เ, เลยนะพอ ม, มันขึ้นก็กัดเขาก็ไปดูเวทนาความรู้สึกเห็นถึงความเจ็บมันเจ็บแั๊บแเจ็บเป็นจุดเจ็บเป็นวงตีรอบมันมีหลายแบบนะเห็นเวทนาเห็นลักษณะของเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นลักษณะของความโปวดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูกายเห็นเลยว่าอปากมันปากเจ้าตัวนี่เม้ม มือเกรงหัวใจเต้นเร็วนะเห็นเลยเห็นกายที่มันมีปฏิกิริยากับการขึ้นการกัดของมดแล้วก็มาดูใจเห็น ใ, <จ>ใจที่มันกระเพื่อมใจที่มันใจที่มันปฏิเสธใจที่มันรู้สึกกลัวไม่ชอบแต่พอเห็นตรงนี้นี่มันสงบนะใจนี่สงบลงเลย ความปวดยังมีอยู่แต่ว่าอาการของกายที่มันเนม้มที่มันเกรง็งก็คลายไปใจที่รู้สึกเป็นทุกข์กับกับมดที่ขึ้นมาก็สง บ, สงบก็บอกว่าเนี่ยใจมันสงบเห็นได้ชัดเลยทั้งท้งที่มดก็ยังกัดต่อไปแต่ใจสงบแล้วแล้วก็ได้เห็นแล้วโอ้ความกายก็อันนึงความปวดก็อันนึง จิตก็อันหนึง่งมันเห็นแยกออกมาได้ว่ามันคนละส่วนกันแล้วเขรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยรู้สึกขอบคุณนะนะเขาเรียกว่าขอบคุณอาจารย์มดนะแล้วก็เข้าใจเลยนะว่ามดเนี่ยที่เขามากัดเราเนี่ยเพราะว่าเขาเพราะเราพงไปไปเบียดเบียนเขาไปรบกวนเขาเขาก็เลยขึ้นมากัดไม่มีความรู้สึกโกรธต่อ ต่อมดเลยแล้วก็กลับขอบคุณด้วยกลายเป็นว่าความปวดเป็นของดีนะความปวดเป็นของดีเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์สำหรับการฝึกจิตให้มีสติได้นะนี่เราเราจะไปมองว่าความปวดนี่ไม่ดีนะมันถ้าเราใช้มันให้เป็นประโยชน์มันก็จะกลายเป็นของดีเราต้องรู้จักใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์นะ ไม่ใช่เป็นประโยชน์ในแง่ฝึกให้เราเข้มแข็งแต่ยังสามารถฝึกให้เรามีสติได้ความปวดกายนี่แหละและที่เขามีสติได้เขาสงบได้ก็เพราะเขายอมรับมันแล้วเขยอมรับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมดขึ้นก็ยอมรับมันมันกัดเวทนาเกิดขึ้นก็ยอมรับมันอาการกระเพื่อมอาการต่อต้านของจิตก็หายไปก็เกิดเป็นความสงบ นะใจสงบได้แม้ว่ากายจะปวดแม้ากายจะคันนะอันนี้เพราะว่าจิตมันไม่ดินแล้วยอมรับก็ขอบคุณนะขอบคุณมดนะก็คงขอบคุณความเจ็บปวดด้วยว่าเออมันได้ทําให้เห็นธรรมชาติว่าโอ้กายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็สติก็ได้เห็นเลยว่าเออ กายทุกแต่ใจไม่ทุกนี่ทําได้นะเพียงแค่เรายอมรับความจริงไม่ผลักไสไม่ต่อต้านแค่รู้เฉยๆนะบางคนอาจจะมองว่าถ้าไม่มีสติก็จะมองว่าโอ้ยซวยเหลือเกินเป็นเคราะ์เหลือเกินทําไมมดถึงมาขึ้นตอนที่ฉันหยุดนะะคนที่คิดแบบนี้จะมีแต่ความทุกข์ทำไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นนะ ยิ่งอยากจะผลักแสบมันออกไปก็ยิ่งทุกข์เพราะจิตมันดิ้นแต่ถ้าเรามองว่านี่ไม่ใช่เคราะหนะนี่คือแบบฝึกหัด น, นี่คือการบ้านเราเปลี่ยนมุมมองซะหรือว่าเรียกว่าภาษาสมัยใหม่เรียกให้ความหมายใหม่นะจากจากมองว่ามันเป็นเคราะห์ก็มองว่ามันเป็นบทเรียนเป็นการบ้านหรือว่าเป็นโชคด้วยซ้ำมันก็กลายเป็นของดีซะ อย่างที่พูดเมื่อเช้าเรื่องเด็กที่เป็นลิวคินเมียเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเคราะห์เขามองว่าเป็นของดีเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอันนี้เราเป็นการให้ความหมายใหม่หรือเป็นการมองในแง่บวกเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้นะแต่เราสามารถจะให้ความหมายใหม่ได้นะไอสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเคยเคี่ยวเป็นความซวยความลําบากแต่เรามองเออมันเป็นสิ่งที่ฝึกเราให้เข้มแข็ง อันนี้เรียกว่าเราไม่สามารถแก้กรรมได้กรรมในอดีตมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่เราเปลี่ยนความหมายได้ให้ความหมายใหม่ได้ความยากจนความลำบากแทนที่จะมองว่าเป็นข้อกรรมกับมอเป็นของดีทำให้เราเข้มแข็งนะอันนี้ก็เป็นการรู้จักใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ศิละปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขก็คือว่าใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ นะแต่มันจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงก่อนยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเพะถ้าไม่ยอมรับมันก็จะตีโพยตีภายแล้วก็จะไม่มีปัญญาไม่มีสติพอที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้อย่างคนที่เขาเล่าเรื่องถูกมดกันเนี่ย ก, ก่อนหน้านั้นเขาก็เสียท่ามันไปเขาก็กลับมาตั้งหลักใหม่ พอตั้งหลักใหม่ก็ยอมรับมันอันนี้จะเรียกเป็นการทำใจก็ได้ทำใจยอมรับนะการฝึกใจยอมรับความจริงนี่มันมีประโยชน์มากเลยนะทั้งในทางโลกและทางธรรมแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆบางคนก็เข้าใจผิดหมายถึงว่านิ่งเฉยนิ่งดูได้อันนั้นก็ไม่ใช่นะ พุทธศาสนาก็สอนทั้งเรื่องการทําจิตแล้วก็ทํากิจทําจิตก็เนี่ยเริ่มต้นจากการที่อยอมรับความจริงไม่ว่าจะเกิดทุกข์เกิดภัยเจ็บป่วยสูญเสียพัดพรากเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับยอมรับแล้วก็มาดูเชว่อว่ามีอะไรที่มันจะแก้ไขได้บ้งบางก็แก้กันไปอันนี้เรียกว่าการทํากิจนะแต่ว่า พวกเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องการทากิตเป็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเป็นในเรื่องการจัดการผู้คนคนที่เป็นเจ้านายก็ไปจัดเน้นไปจัดการกับลูกน้องสั่งโน่นสั่งนี่แต่ว่าลืมสั่งใจลืมดูใจตัวเองการดูใจก็สำคัญการทำจิตนะทำจิตก็ทำได้หลายแบบนะนะอันนี้ก็เรื่องการยอมรับความจริงนะ ยอมรับอย่างที่มันเป็นเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในการฝึกจิตในการดูใจในการทำกรรมฐานก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือยอมรับมันอย่างที่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นก็เห็นก็แค่รู้มันเฉยๆมอใ น, นงานนี้ก็คือวิธีการเอาสิ่งไม่ดีมาใช้ใเป็นประโยชน์เช่นเวลาเกิดความหงุดหงิดเกิดความฟุ้งซ่านอันนี้ไม่ดี ในสายตาของนักปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราทำให้มันดีซะคือเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าเอามันมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสตินะสตินี่จะเข้มแข็งได้มันก็ต้องมีคู่ซ้อมนะก็คือความคิดนั่นแหละหรืออารมณ์ถ้าไม่มีคู่ซ้อมที่เข้มแข็งสติก็จะอ่อนแอเหมือนนักมวยที่ต้องมีคู่ซ้อมที่เก่งถ้ามีคู่ซ้อมที่มันไม่ได้เรื่อง เป็นสมัครเล่นก็ไม่มีทางเข้มแข็งได้นักมวยคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะสร้างอุบายบางทีก็ต้องสร้างอุบายหาอุบายเพื่อทําให้ความคิดอารมณ์มันพุ่งพลานขึ้นมาเพื่อจะได้ให้สติได้เข้าไปรับมือกับมันรับมือนในที่นี้นะหมายความว่าก็ดูมันเฉยเฉยนะั่นไม่ใช่ไปทําอะไรกับมันทำอะไรกับมันงั่นเป็นเรื่องสมถะแต่ว่ารับมือกับมันในที่นี้ที่เป็นวิปัสสนาคือดูมันเฉยเฉย ไม่ผักสายไม่ต่อต้านแล้วก็ทันมันไม่ไ ม, ไม่เข้าไปเป็นเอาความคิดบางอย่างความคิดมันอะไรง่ายๆเบาๆเนี่ยเราก็เราก็รู้มันทันมันแต่ว่าความคิดแรงๆเ<แ>อารมแรงๆไม่ทันนะเข้าไปเป็นซะละเข้าไปเป็นในที่นี้คือว่าเข้าไปผักสายไปผักสยมันไปต่อต้านความปวดกลายเป็นผู้ปวดไปความโกรกลายเป็นผู้โกรธไป นะแต่พอเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเราก็มีสติที่เข้มแข็งก็รู้มันเฉยๆเห็นมันยอมรับมันตามที่มันเป็นแล้วมันก็ดับไปเองมันเป็นธรรมชาติของมันเพียงแค่รู้มันก็อยู่ไม่ได้นะแต่เราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราตั้งท่าจะไปผักใสต่อต้านมันตั้งแต่แรกนะ การยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็นนี่สําคัญมากนะยอมรับมันไม่ไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังนักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ถ้ายัางเลือกที่รักมากที่ชังว่าเครียดไม่ดีนะหงุดหงิดไม่ดีนะคิดแต่จะกดข่มมันอย่างเดียวนี่ไม่ไม่ไม่ฉลาดต้องรู้จักใช้มันก็คือเอามันเป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติก็คือว่าให้มันเป็น สิ่งที่กําหนดรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้เอามาใช้ให้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่ให้มันแค่ใ ห, ให้ให้สติรู้เฉยๆแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการใช้มันให้เป็นประโยชน์ละเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นความจริงได้เห็นไม่เพียงแต่ทำให้สติคล่องแคล่วว่องไวมีจิตตั้งมั่นเป็นกลางอย่างรวดเร็ว เท่านั้นแต่ว่ามันทาให้เกิดปัญญาเยคือทาให้เห็นไตรักเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าไม่ว่าความสงบหรือความฟุ้งซ่านมันก็สอนธรรมะหมวดเดียวกันคือสอนเรื่องใตรักนะมีค่าเท่ากันนะมองจากมุมของวิปัสสนาความฟุ้งซ่านกับความสงบมีค่าเท่ากันเพราะสอนเรื่องเดียวกันสอนเรื่องใตรักทาให้เกิดปัญญาเหมือนกันอันนี้เราต้องต้อง ต้องมองในแง่นี้นะว่าเขาเป็นอาจารย์ของเราเสมอกันความปวดทุกขเวทนาก็เช่นเดียวกันก็สอนเราเรื่องใตรับไม่ใช่แค่สุขเวทนาเท่านั้นที่เร า, เราจะเอาทุกขเวทนาแล้วก็ดูมันเฉยๆยอมรับมันนะแล้วก็จะทำให้จิตเนี่ยสงบเป็นสงบเป็นความสงบไม่ใช่เพราะไปกดข่มอะไรไม่ใช่เพราะไปบาบัดบรรเทาแต่สงบเพราะว่ายอมรับ สงบมันทําได้หลายอย่างนะไปพ่อไปบรรเทาเช่นปวดพอยุงกัดมดกัดอาก็ไปบรรเทาเอายาไปบรรเทาก็สงบจิตก็สงบแต่ว่าจิตก็สงบด้วยวิธีอื่นได้ด้วยก็คือการยอมรับมันยอมรับด้วยสตินะถ้วต่อไปพอเกิดปัญญาก็ยิ่งยอมรับได้ง่ายใหญ่เพราะเห็นว่าเป็นธรรมดา ก็จะเห็นว่าที่ปวดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ฉันปวดนะมันเป็นกายปวดหรือมองไปถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่กายปวดแต่มันเป็นแค่เวทนาเฉยๆที่เกิดขึ้นไม่มีผู้ปวดเลยอันนี้ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะมันไม่มีผู้ปวดเมื่อมีผู้ปวดจิตก็สงบเสียเพราะว่าที่ไม่สงบเพราะว่าไปรู้สึกว่าฉันปวดฉันปวดฉันปวดแต่พอมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีผู้ปวดก็ไม่มีใครทุกข์ ความสงบก็เกิดขึ้นเองเป็นความสงบที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่เพราะไปบันเทาไม่ใช่เพราะไปไ ป, ไปเยียวยาอะไรนะหรือกดข่มอันนี้เราก็ต้องรู้นะว่าความสงบมันทำได้ไหลายอย่างส่วนใหญ่เป็นในเรื่องการกดข่มหรือเรื่องการไปใช้วิธีกดข่มหรือไปใช้วิธีบันเทาอันนั้นก็ดีอยู่แต่ลองใช้วิธีของสติหรือแต่ปัญญาดูบ้างคือยอมรับเห็นมันอย่างที่มันเป็น เกิดปัญญาเข้าใจความจริงนะว่าไม่มีผู้ปวดนะมันก็สงบไปเองอ่ะนะก็คุยกันเ ท, ท่านี้ท่านอ่ะกลับครบ